มาพูดทุกวันทุกวันอย่างนี้ต่อจะนำธรรมะอะไรมาพูดสูกฟังคนสี่ฟังทุกวันก็คงจะเบื่อ <c oughs> เหมือนอาหารเนี่ยถึงอาหารจะ อ, อร่อยอรอยขนาดไหนแต่ทานทุกวันทุกวันไปเปลี่ยนอาหารก็รู้สึกว่าเบื่อ <c oughs> เรื่องมนุษย์เรามันทุกอย่างอ่ะไ่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันเปลี่ยนได้อิ่มได้เบื่อได้ตาที่เคยดูหูที่เคยฟังแต่คนที่ไปเห็นใหม่ก็พอใจพอใจดูยินใหม่ก็พอใจฟังแต่คนที่เคยฟังอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรือ่อยก็เบื่อเหมือนผูกคนในเมืองวัตถุก่อสร้งางต่างๆเห็นทุกวันทุกวันก็ไม่อยากดูกัน อยไปดูป่าดูเขาคนที่อยู่ป่าอยู่เขาแต่วันเกิดมากออยากจะไปดูบ้านดูเมืองกันมันเป็นทํานองนั้นเรื่องธรรมะใจของตัวไม่รู้ไม่โอใจในเรื่องของธรรมะเพราะาอยากเบื่อเพรเอ่ยธรรมะขึ้นไม่ทราบมันง่วงเหงาหง่อนเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวทุกอย่างพราันฝืน ต่อจลิตนิสัยการคุยกันธรรมดามันเป็นอีกแบบการฟังธรรมะเงียบสงบมันเป็นไปนอีกแบบว่าจิตไม่เคยจิตเคยปรุงเรื่องของธรรมะแล้วการฟังธรรมะก็มีระเบียบเหมือนคุยกันธรรมดาฉะนั้นเรื่องธรรมะคนจิตไม่ชอบธรรมะไม่ยินดีธรรมะถึงเบื่อไม่อยากเขวัดเขว่า ต่อไปฮะพระหาเจ้าไม่นี้อิสระนั่งก่อนหนังมีระเบียบพูดก็มีระเบียบก็เลยทําให้คนเบื่อไปแต่คนมีธรรมะคนสอบธรรมะมันเบื่อไม่เป็ น, ปนรถของธรรมฉันว่าชนะรถถั่วไปรถอะไรจะประเสริฐวิเศษเท่ากับรถของธรรมไม่มีแต่สําหรับคนที่มีจิตใข่ในธรรมถึงจะ ดื่มรสของธรรมได้คนทีม่มีจิตสัมผัสเรื่องของธรรมเอยธรรมะขึ้นรู้สึกว่ามันไม่พอใจเด็ดเนยเหมือนหิวเราก็จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรานี้โลกมากด้วยธรรมมากในตัวของเราแต่ธรรมมากก็เอ่ยปากเรื่องของธรรมะรู้สึกจิตใจยิ้มแย่มแจ่มใสจิตใจรับอยากจะสระดับรับฟัง ถาหาโลกมากจิตไม่สัมผัสกับธรรมะจิตมีที่เหลือตัณหาจิตเดินออกมองธรรมะพอเอืยอเรื่องธรรมะขึ้นมันงุนงดไม่เต็มใจที่จะสหรับเล่าฟังมันเป็นเดียกันทุกส่วนหน้าเรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสาคัญความพอใจนั้นพอใจใน ด่านต่ําด่านชั่วด้านเสียเขาก็พยายามบึกบึนเพราะความพอใจของเขามีเป็นขวกโจรขวกขโมยถึงลําบากเหน็ดเหนื่อยเหมื่หิวไม่ได้รับได้นอนมื่อดำกำตาเขาหูอุตส่าห์ไปหารักหาขโมยคนอื่นทุกยากลําบากขนาดไหนบึกบึนไปแต่ยังให้ทํางานทําการสุจริตเขาทำไม่ได้เพราะความพอใจ เรื่องความพอใจจิงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องพอใจในธรรมะนั้นก่อทำนองเดียวกันสมัยพุทธกาลท่านที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีสมบททัติภั้นฉามใน่าการสเสวยการรับทานการนัง่งการนอนที่พักาอาศัยอะไรทุกอย่างพวกเหล่านั้นสมบูรณ์พูนสุข ตามโลกเขานิยมแต่เมื่อใจยินดีเดื่อมใสในธรรมะไปปฏิบัติธรรมะอยู่ป่าอยู่คนไม้รับทานอะไรของชาวป่านี่อะไรเขาให้มาก็ทานกันแต่ท่านก็เต็มใจพอใจแล้วเปล่งอุทานกว่าสุกหนอสุกหนอเพราะใจท่านสุขใจทันชอบพวกเราท่านหากเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายของใจก็เกิดขึ้น เมื่อมีผู้อธิบายธรรมะให้ฟังหรือเขาที่สงบสงัดเข้าป่าเข้าดงไม่มีอะไรมารบกวนทางตาทางหูสงบเงียบสนุกที่นี้พิจารณาธรรมะที่มาสัมผัสกับใจใจที่จะคิดไปปรุงไปในเรื่องนอกผมมีสติตามรักษาทันการทันเวลาไม่มีอะไรมาด้่วยุทางตาทางหูงต่างๆ ใหก็ม่ได้คิดในกรุงแต่ทางนอกนี่จะจะกำหนดบทอัธธรรมต่างๆให้จิตสงบวงรวมนี่เป็นเรื่องผู้ที่ฝึกอบรมตัวไข่ต่อทร ม, มะยอมได้รับสาระประโยชน์อย่างนั้นป่าจึงเป็นสี่อบรมป่าจึงเป็นที่เป็นสถานที่ศึกษาของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองตัดสู้ในป่าสาวกโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่า เป็นที่ภาวานาเป็นที่ศึกษาเป็นที่ผลทุก์แต่คนธรรมดากิเลสนะสามัญชนทั่วไปกลัวป่ากลัวความมืดกลัวความเงียบสงัดโรงหนังโรงละครอยู่ที่ใดอัดแอร์ขนาดไหนทุกอย่างลาบากใจเขาก็ไปดูกันไม่ต้องเชื่อเชิญทั้งเสียแต่ตังด้วยก็ยังยินดีพอใจไปนี่คือใจ ของผู้โดยชนธรร ม, มดามาักไหลไปในแง่นั้นแต่ถ้าอริยะเจ้าหรือโยคาพปจรถทั่วไปท่านตำหนิสถานที่วุ่นวายสถานที่ขัดข้องสถานที่เอกเกลเ้ฮะพอรบกวนจิตใจของท่านจะพิจารณาอะไรอัดทำที่ละเอียดอ่อนาหากมีเสียงรบกวนหรือมีเรื่องราววุ่นวายยอมพิจารณาได้ยากนี่สถานที่ในป่า เห็นวัดป่าเป็นต้นเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่ค่อยมีนอกจากจิตใจของตัวจะไปวุ่นวายเกี่ยวข้องผู้มีสติมีปัญญาก็หักห้ามไม่ให้จิตใจพุ่งตรุงออกไปทางนอกเพราะระยะเวลาที่มาบวชเป็นพะเป็นเนนตลอดถึงมาอบรมศึกษาทักถอนทางจิตใจก็ควรจะมีสติ มีปัญญาแนวสอนตัวข้องตัวระยะนี้อยู่ป่ารายะนี้มาภาวนาสถานที่นี้เป็นสถานที่สงบไม่ควรจะคิดปรุงในเรื่องนอกนอกเ <ๆ S 1> มื่อเราสอนตัวข้องตัวอย่างนั้นพยายามมีสติกำกับรักษาใจที่คิดใครจ <c oughs> ิตตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหักห้ามเอาไว้ไม่หคิดไม่ปรุงไป กรรมฐานส่วนใดสิ้ครูอาจารย์แน่สอนหรือจิตใจเราชอบเราจะต้องหมั่นกำหนดมั่นบริกรรมกรรมฐานอันนั้นจนจิตใจได้รับความสว่างสวัยจิตใจลงรวมสงบเงียบนี่คือการฝึกพักจิตพักใจของตัวใจด้ยมากไม่เอยได้พักมีแต่คิดแต่ปรุงเรื่องต่างๆจึงไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลสตัณหาไม่รู้เห็น งต่างๆตามเป็นจริงได้ลืมหลงเลอะเรียนไปต่างๆฉะนั้นในการฟังธรรมะมสี่สันแสดงก็พึงกำหนดจิตของตัวให้อยู่ในตัวของตัวอย่าให้ฟุ่มๆุจิตอ่านไปในเรื่องใหม่จะ ก, กำหนดบทบริกรรมพุทโธลมหายใจได้ทั้งนั้นเพราะทุกอย่างถ้าหากจิตสัมผัส จิตยินดีกำหนดไม่ปล่อยสติจิตจะมีเวลาพักผ่อนหรือลงรวมได้จิตลงรวมได้รับความสงบสงดัดเบาสบายเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปแต่ไม่มีวิธีทมหรือไม่ฝึกตัวเองจึงไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเลยไปลุ่มหลง เรื่องอื่นว่าเป็นความสนุกถูกสบายไปเสียแต่ความจริงในตัวของเรามันมีที่สงบที่สบายที่เยือกเย็นไม่มีที่อื่นจะประเสริฐพิเศษแถาตัวของเราเองถ้าตัวของเราฝึกตัวของเราได้ก็ไม่ต้องไปหาความสนุกสนานไม่ไปหาอาหารองใจที่อื่นหาในตัวของตัวก็ได้อาหารองใจ ประเสริฐพิเศษก็คืออาหารด้านธรรมะธรรมะนั้นหากเราท่านได้กำหนดที่นีิพจาณาอยู่เรื่อยๆใจไม่มีโอกาสกาเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกจิตจะค่อยรู้เห็นละเอียดอ่อนเข้าไปจนลงรวมได้เมื่อจิตลงรวมเห็นความสงบถุกภายในถอดถอนออกมาพิจารณาอะไรก็รเจ็มใสชัดเจน อย่าจิตที่จิตของต่างๆให้เบาบางหรือหลุดไปมีการฝึกใจพูดใจเจ้าหรือสาวกท่านก็เป็นคนธรรมดาผู้ทุชนเหมือนกันกันกบพวกเราในเมื่อท่านยังไม่ฝึกกิเลสตัณหากีปนาถะมีสมบูรณ์ด้วยกันไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากมที่เคยทามา มีอยู่ในจิตในใจไม่หลุดพ้นไปจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบเรื่องของจิเลตันหามาน้าทิศทีต่างๆที่ทำให้ใจิตใจว่าวุ่นคุมัวต่งตางๆนั้นเราจะกาจัดโดยอุบายวิธีอันใดใจของเราจึงจะป่องใสจึงจะสงบสุกไ ด, ด้ทันคิทีที่จะได้นา จิตที่ฝุ่งปรุงไปตามเรื่องต่างๆภายนอกเพราะจิตลุ่มหลงเพราะจิตขาดปัญญาไม่ทราบสิ่งนั้นตามเป็นจริงจึงลุ่มหลงมั ว, มวเมาเฝ่าขวัญหากทราบตามเป็นจริงแล้วเรื่องจิตจะไปคิดปรุงอย่างนั้นก็โทษตัวเองว่าโง่มัวเมาลุ่มหลงเสียหาย คนที่พยายามรักษาจิตด้วยสติมีปัญญาแน่สอนตัวจะไม่เผลอจิตปรุงไปในทางชั่วเพราะเสีย ง, งนั้น น, นั้นท่านเลยที่ี้พิจารณามาทุกระยะทุกเวลาจิตเคยเบื่อหน่ายเป็นบางการบางเวลาเมื่อมาฝึกอบรมมันเกิดปุ่งปรุงจิตนึกไปในแง่นั้นท่านจึงเสียใจว่าทำไมมันเผลอไปได้ มันหลงไปได้นี่พวกเราทั้งหลายยังไม่ละเอียดขนาดนั้นมันก็จะต้องพีนี้พิจรณนาหาทางพอดถอนจิตใจข้องตัวที่เกี่ยวข้องทางพิจาจรณนาผู้ที่เป็นพระเป็นเนรเป็นนักบวชอุปชาอาจารย์ทัางก่อสอนกรรมฐานให้เพื่อเป็นอาวุธลบกับจิเลตตัญหาภายในใจข้องตัวอย่างสอนกรรมฐานทั้งห้า หรือมูลกรรมฐานซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราท่านเยสาโลมานะขาทันตาแต่โจนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยเรากผมขนและฟันหนังกรรมฐานหาอย่างนี้มองเห็นได้ด้วยตาระจากชัดเจนแต่เราไม่ได้พิพจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างไรใจก็เลยลืมเลยหลงเพราะโลกส่วนใหญ่เนิยมชมชอบว่ามันสวยมันงาม มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงกันไปเมื่อพิจารณาด้วยใจจริงด้วยอัตธรรมสิ่งนั้นนั้นมันเป็นของปปิจีกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรการพิจารณากรรมฐานทั้งห้าก็ถูกตามหลักสฏิปัฏฐานที่ส่่นสอนเอาไว้กับพิจารณากายเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกายแต่เป็นส่วนเอกเทศ แยกกันออกแต่ความจริงก็เป็นกายผมก็มีอยู่ในกายผลก็มีอยู่ในกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่งอกขึ้นได้ก็เหมือนกันกับพืชต่างต่างที่เกิดขึ้นจากดินถ้าแห้งแล้งเกินไปพืชผลเหล่านั้นก็งอกขึ้นไม่ได้ยอมตายไปถ้าฝนมากเกินไปท่วมพ่วง น, นั้นก็อาจตายไปอีกมีฝนตกบ้างแดดเผาบ้าง สิ่งเหล่านั้นก็งอกขึ้นงอกขึ้นจากดินงอกขึ้นจากของปฏิกูลผมของเราขนของเราก็เกิดขึ้นจากของปฏิกูลลองลองดูให้ละเอียดว่าผมก็ดีขนก็ดีมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรหล่อเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโตยืดยาวหากที่นี้พิจารณาดูมันก็ดูเอาเลือดหนามเหลือง ในเมื่อในตัวของเราจึงงอกขึ้นได้หากไม่มีเลือดมีน้ำเหลืองอะไรหล่อเลี้ยงมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งหรือตายไปงอกต่ออีกไม่ได้คือมันเหม่อนมีอาหารที่จะทําให้มันเจริญเติบโตไปได้ผมขนเหล่านั้นมันงอกได้เพราะอาหารคือของสกัดกปกในกายแล้วกายมันเป็นของสกัดกักอย่างไร หากเราไม่พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมก็ไม่ทราบกายของเรานี้สกรปรกยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปมูดพูดสิไลออกมีอะไรรองรับต่างๆปิน้นเน่าจินเหม็นมันออกจากกายทางนั้นไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นกายของเราทั่วไปเป็นของสกรปรกอาศัยชำะระสระอาศัยอาบน้ําอยู่ทุกวันไม่อย่างนั้นก็เหม็น สาบเหม็นโขงสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นต้นสะบองจีวรเสื้อผ้าต่างๆนุ่งห่มไปไม่นานถึงของนั้นจะสะอาดสวยงามขนาดไหนเมื่อมาเกี่ยวข้องกับกายถึงเป็นของสกรปกกกรกขดสกปรกไปด้วยมีกลิ่นเหม็นขึ้นด้วยควรจะพินิจพิจารณาเพราะผมเราก็เห็นด้วยตาขนเราก็เห็นด้วยตาเล็บงอกออกไปก็เหมือนกันนั่นคืองอกออกไปจากเอาไว้ ย, ยวะมือเท้าของเรา ถึงไปของสกรปรกวันก็เน่าก็เหม็นทำไมตำละแต่ละวันของวันจะต้องมีกลิ่นขึ้นในปากนี่เรามองไม่เห็นไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นก็เลยถือว่าผมงามขนงามเล็บงามฟันงามเรามามพราะตกแต่งจึงพอดูกันได้ทำไมตกแต่งปล่อยไว้ธรรมดามันก็สกรปรกแม้ตกแต่งรักษาขนาดนั้นมันก็ยังสกรปรกอยู่ ไม่มีที่ไหนที่จะสวยจะงามหากเราคิดดูให้ดีถึงต้นเหตุของมันแล้วไม่น่ากำหนัดไม่น่ายินดีไม่น่าเลื่อมใสเต็มใจนี่เป็นเรื่องของกรรมฐานหากาเราคิดเจรนาอยู่บ่อยๆในเรื่องของกรรมฐานที่อุปชาอาจารย์ให้ิจรณาเป็นกรรมฐานด้วยใจจริงจิตจะเ็ราะทวอนหลงไหล เพิดเชิญไปในการมัจิเลศยิ่งเข้าใจไปจากเห็นชัดเท่าไรใจจะยิ่งเบื่อง่ายในเรื่องของกายเลื่อยไปในสมัยพุทธกาลชนข้าตัวตายกว่ามีพอเห็นกายของตัวเป็นของปฎิจูลท่านไม่ได้เห็นยิ้วหนังภายนอกเหมือนพวกเราเห็นพอท่านหลับตาหรือกําหนดพิจารณามันเลยหนังเข้าไปเห็นเนื้อเอ็นกระดูก ใส่พุงต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่น่าอยู่น่าอาศัยจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในเนื้อในกายก็เหมือนกันกับว่านอนอาศัยอยู่ในหลุมส่วมทันสั้งเวทโสดใจเลยตัดสินฆ่าตัวตายอย่างนั้นก็มีถ้าทำไปแบบนี้มันก็ไม่ถูกมันผิดหลักข้องทำเพราะทำท่านไม่ได้สอนให้ฆ่าตัวเองและคนอื่นตัดอื่น เมื่อเห็นตามเป็นจริงเข้าใจตามเป็นจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่เต็มใจในเรื่องของกายไม่หลงไหลเพิดเพลินในเรื่องของกายเมื่อจิตไม่เกี่ยวขวองกับเรื่องของกายเห็นกายเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นไปสถานที่ดใดใครความรักที่จะไปติดข้องกำหนัดสับสัตว์กับคนมันหมดไป เมื่อมันหมดไปไม่มีภัยทางความรักความเกลียดทางต่างๆมันก็คอยตกไปด้วยเพราะราคะปฏิฆะมันอยู่ด้วยกันมันเกิดจากจิตอันเดียวกันไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อราคะตกไปปฏิฆะความหงุดหยิดทางใจก็ตกไปด้วยแต่ผู้จิตจะปฏิบัติได้ถึงหมดราคะปฏิฆะก็เป็นพระที่หน้ากราบหน้าไหว้หน้าบูชา แต่ก็ไม่เหลือวิสัยเบื้องต้นท่านก็มีราคะปจิคะมีกิเลสตัณหาสมบูรณ์เหมือนพวกเราด้วยอำนาจไม่ประมาทที่นี้พิจารณาอาัดรำที่ครูบาอาจารย์แนะนำนำไปคนคิดพิจรารณาจริงจังให้เห็นให้เข้าใจมาก็ละก็วางก็ปล่อยถิ่งไปได้หนีพวกเราทั้งหลายอยากสุขอยากสบายก็พากันประพฤติปฏิบัติ กำหนดอาจทำจิตพระพุทธเจ้าเนียสอนเพราะทานั้นไม่ได้หนีไปจากกายจากจิตมีอยู่ในกายในจิตเท่านี้ผู้ลุมหลงจริงจังตัวเหตุใหญ่ก็คือจิตไปจิตไปข่องไปหมั่นไปไม้ว่ายญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าสาวต่างๆไม่ได้พิจรารณาในทางที่จะแก้ไขจิตใจให้รู้เห็นตามเป็นจริงคือว่ากายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่ผิดแตกต่างกันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก่เป็นเรื่องสมมุติส่วนนั้นๆเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรผมขนแล้วฟันแล้วก่อสมมุติเอาเขาไม่ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเราจะเรียกอันใหม่เขาก็ไม่มีการเสียใจดีใจเรื่องของจิตถ้าหาพิี่นี้พิจารณาตามเรื่องของธรรมะ เป็นเรื่องแก้ปัญหาของใจใจจะมีวันเบาใจจะมีวันสบายไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆอยู่ในโลกแบบถูกแบบสบายไม่วุ่นวายด้วยความรักความชังต่างๆพระพุทธเจ้าเห็นอา น, นิสงสงด้วยพระ อ, องค์เองจึงมาแนอนำสัพพะสัตสัตที่มีนิสัยมีความใคร่อยากจะพ้นทุกข์ ที่นี้พิจารณาติดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าท่านสอนจริงไม่มีสิ่งใดที่จะแย้งเพราะจิตของเราเห็นจริงตามคำสอนของท่านก็ของจริงมันมีอยู่อย่างไรพิจรารณาลงไปมันก็เห็นเพราะมันมีอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เห็นเพราะมันมีอยู่จึงเห็นของที่ควรละได้ปล่อยได้วางได้มันก็ปล่อยกล่อวาง าหากมันเห็นเป็นใครอันตรายแต่ตัวของตัวแล้วมันไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามเอาไว้นี่ใจของพวกเราท่านหา่างธรรมะไม่ได่นี้พิจารณาอย่างนั้นจึงยึดถือธาตุาาขัาาาาาาาานว่าเราว่าเขาโกรธเบียดต่างๆเกิดขึ้นจากความยึดถือหากที่นี้พิจารณาตามสภาวธรรมจริงจังมันจะรู้เห็นปล่อยวาง ไม่ยดึดไม่ข้องไม่ติดเรื่องของจิตเป็นเรื่องสำราดได้ถ้าสำราดไม่ได้ก็ไม่มีใครสี่จะเป็นคนดีวิเศษได้ความดีทางศาสนาถือเอาจิตไม่ถือเอาเรื่องของกายความรู้ของศาสนาถือเอาจิตที่รู้ที่เห็นไม่ถือเอาสัญญาความจํามา เหมือนลลหลอกเมื่อเราฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดปฏิบัติด้วยใจจริงเห็นจริงแล้วเรื่องที่เคยติดข้องไม่ต้องไปหาประกาศนิยบัตรมาติดนะค่ะแต่มันสาบอยู่ในตัวของเราว่าเป็นอย่างไรเดียวนี้จิตใจที่เคยขุนมัวเส่าหมองจิตใจที่เคยติดข้องต่างๆมันลาถอนได้ไหมมันสาบภายในตัวอยู่ทุกระยะ เพราะการปฏิบัติบ่งบอกอยู่จิตเสื่อมจิตเจริญทราบในขั้นปฏิบัติแต่ทุกคนที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมเพราะเหตุใดมันเจริญเพราะเหตุใดรุ่มหลงเลื่อยไปมืดกระทั่งวันตายนี่คือคนไม่ปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะย่อมมีมืดมีสว่างมีเสื่อมมีเจริญมีได้มีเสีย ระยะปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติเคยเห็นเคยเป็นประจกักษ์ชัดเจนในใจจิตอยากจิตละเอียดอย่างไรเคยผ่านมาพอไม่ตื่นเต้นลหลงไหลตามความเป็นไปเหล่านั้นเพราะเคยละเอียดเข้าใจว่าจีเลียดตัณหาอะไรจะมาเกี่ยวข้องในใจไม่ได้แล้วก็เสื่อมไป ปฏิบัติอีกจเจริญขึ้นอีกกวดีใจอีกเสื่อมไปเสียใจอีกมันเคยพบเคยเห็นเคยผ่านมาจนเคยในจิตในใจเมือ่อตัวข้องตัวสืบสอบเรื่องอย่างนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจตามเป็นจริงพอเห็นความเสื่อมแล้วจเจริญเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นมาจากอะไร จะเข้าใจต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเป็นมาแล้วก็ไม่ตะคุบเรื่องความเสื่อมความเจริญสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรตะคุบเงามันหน้าที่ของเราปฏิบัติจะต้องปฏิบัติไปเมื่อใดจิตยังเป็นอย่างนี้ยังไม่ตายใจยังไม่เชื่อใจของตัวเองยังควรปฏิบัติอยู่ต่อเมื่อใด ปฏิบัติเข้าไปจนถึงจุดจบของจิตเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นจะเข้าใจว่าสิ่งทั่วไปเรื่องสมมุติไม่มีวันเวลาที่จะไปทําความบริสุทธิ์ความหลุดออกจากกิเลสให้มัเกี่ยวข้องได้หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปว่าปฏิบัติไปอีกจะมีเสื่อมมีเจริญได้อไม่ เพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นประจักษ์ชัดเจนอยู่ในใจไม่ใช่สมมุติไม่อยู่ในวงของความเสื่อมความเจริญอันนี้คืออะไรก็เข้าใจอีกแต่สมมุติว่าความบริสุทธิ์หรือวิสุทธิธรรรือนิพพานก็สมมุติได้แต่ถ้าไม่เป็นในใจสมมุติได้ก็ไม่เป็นไม่เห็นถ้าเป็นในใจไม่สมมุติอะไรสิ่งนั้นก็ประจักษ์อยู่ในใจแล้วจะ มีการเสื่อมการเจริญอีกอย่างไรนี่คือที่สุดในการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจของตัวผู้ที่ถึงที่สุดอย่างนั้นท่านสุขท่านสบายเพราะไม่ได้จะคุกเงาไม่มีอะไรจะไปรบ ก, กวนความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการเข้าการออกเพราะไม่ใช่เรื่องของมรร เป็นผลเมื่อมันเต็มที่มันจะเป็นไปเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในใจของเราถ้าเราทำเรื่อยๆไปปฏิบัติเรื่อยๆไปจะประสบพบเห็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนจิตเรียนหนาปัญญาเทือบอยู่เรื่อยไปมันจะมีวันเวลาประสบพบเห็นมีวันเวลาที่จะได้รับ ความสุขความสบายอย่างนั้นถ้าลงมือปฏิบัติในถอดทุละกทำจริงทำจังแล้วจะต้องเห็นเด่นชัดเมื่อยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ตั้งหน้าปฏิบัติเรื่อยไปความเป็นข้องใจก็เหมือนผ ล, ลไม้เมื่อมันยังอ่อนยังเด็ดอยู่มันก็รสหนึ่งเมื่อมันสุกแล้วไม่ต้องไปหาผ ล, ลไม้ที่มันหวานไม่ต้องไปหาน้าอ้อยน้าตาลมาจากที่ไหน มาใส่มันก็หวานขึ้นเองความหวานของมันมันเกิดขึ้นจากที่ฝัดผ่าเปรี้ยวๆน่ะมันหวานขึ้นจิตใจของพวกเราท่านก็ทํา น, นองเดียวกันความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรขอให้ตั้งใจประพื่อปฏิบัติไปอย่าทอดทุละอย่าทอดถอยอย่าไปตะคุบเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญต่างๆหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติไปเมื่อถึงความหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยในตัวเอง การปฏิบัติธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นในตัวเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะให้ความสุขอย่างประเสริฐไม่มีความสุขใดจะสุขเลิศเท่ากับจิตหลุดพ้นจากกิเลสถึงธรรมะธรรมะทาคนให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั้น ขอทุกท่านจงหมั่นทีนี้พิ่เจณาศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่าไปประพฤติปฏิบัติที่อื่นการประพฤติปฏิบัติโกดีอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปดูที่อื่นดูตัวข้องตัวเพราะก่อนข้องาจนี่ก็เป็นก่อนธรรมะแต่ว่ า, ารูปปัธรรมความคิดปรุงต่างๆก็เป็นธรรมะคือเป็นนามธรรมถ้ามีสติมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลก อยู่ในตัวของเราเป็นผลเป็นประโยชน์มีคุนค่าราคาถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาถึงจะเป้าคุมเงินขุมทองอยู่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาประโยชน์จากเงินจากทองได้อย่างไรเพราะไม่มีปัญญาที่จะนำสิ่งนั้นไปใช้สอยให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าหรือศาลอิยเจ้าท่านก็มีกายมีใจเหมือนพวกเราแต่ท่านฉลาดแหลมคมที่นี้พิจรารณาใจที่เคย เงาเงาเต่าตุ่นด้วยธรรมะสอบสืบด้วยสติสี่ทายด้วยปัญญาให้เห็นเรื่องของกายตามเป็นจริงเรื่องของใจตามเป็นจริงแล้วมันจะปล่อยวางละถอนความผิดของต่างๆใจที่เคยแสสใส่ไปตามเรื่องอารมณ์ทันยาจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะ สอนคนให้เข้าสู่ความสงบจะพิี่นี้พิจรารณาจะกําหนดอะไรเมื่อใจสงบมันเหมือนกันหมดเมื่อใจหลุดพ้นมันเหมือนกันหมดไม่เป็นอื่นธรรมะถึงจะมีมากมายหลายหลวงตั้งแปดหมื่นี่พันพระธรรมขันต์ก็สอนกายสอนใจพวกของพวกเราท่านให้ได้รับความสงบความพ้นทุกไม่ได้สอนไปที่อื่นเมื่อเราฝึก อบรมตัวของเราเราจะเห็นดีชั่วต่างๆเสรอมเจริญต่างๆให้จิตกระโดสทั้งเวทให้จิตเพลิดเพลินในความเป็นไปเพราะความเห็นความเป็นของตัวมันเพลินได้สนุกสบายในการที่นิพิจารณาธรรมะเราไม่เลือกการเลือกเวลาไม่หาสถานที่ เพราะธรรมะมีอยู่ในกายในใจเราไปสถานที่ใดก็ไปกับธรรมะพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือใจที่เข้าถึงเรื่องของธรรมะไมเ่เผลอมีแต่พินิจพิจารณาแก้ไขตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอไปอะไรที่เห็นได้ยินนึกน้อมเข้ามาทีนี้พิจารณาดูเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิด วิชาวิมุตตไม่ได้เผลอได้ปล่อยนี่ปกติคนมีธรรมะไปสถานที่ใดจึงไม่ขาดทุนสูนกำไรไปสถานที่ใดสะดวกสบายแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก่เอาระยะเวลานั่งฟังเทศเอาเวลานั่งภาวนาเดินยงกรมเท่านั้นนอกจากนั้น โกสงกจ็จะแสจิตคิดปรุงไปต่างๆว่าไม่ใช่นาที่ที่จะพิจนี้พิจารณาธรรมะมันยังห่างยังไกลาจากธรรมะกาใจเป็นอย่างนั้นยังไกลามากใจที่เข้าถึงธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าอยู่อิริยาบถใดที่นี้พิจารณากายใจของตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยปล่อยป่าละเลยนี่คือผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ถึงธรรมะสัมผัสอยู่ แต่กับธรรมะคิจารณาแต่เรื่องธรรมะเมือ่อคิจารณาธรรมะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความหลุ่มหลงต่างๆมันก็ตกออกไปเหมือนกันกับแสงไฟเราตามขึ้นเมื่อใดความมืดมันก็หายไฟตกไปถ้าเราไม่ตามไฟดับเมื่อใดความมืดมันก็มืดพลึบเข้าไฟจึงเป็นข่าสศึกของความมืดแสงสว่างเป็นข่าศึกของความมืด ูพิจรารณาธรรมเป็นขา่าสืของกิเลสตัณหาทำานองเดียวกันกิเลสจึงไม่มีวันเดลาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจที่ยังมีอยู่ตอนใดทันกว่าพิจรารณาเรื่องของกิเลสตัณหาอันนั้นเพื่อจะขับไล่ให้หมดไปตกไปด้วยอุบายวิธีต่างๆเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้น สิ่งที่เคยติดขว้งมันตกไปหายไปไม่มีการสงสัยถตมันยังสงสัยอยู่ก็คือมันไม่รู้มันไม่เห็นเพียงแต่รู้ยังไม่เห็นมันก็สงสัยเพียงแต่เห็นยังไม่รู้มันก็สงสัยนี่การปฏิบัติใจท้งรู้ทางเห็นมันจึงตกออกไปเก่ยงความสงสัยต่างๆเมื่อมันตกออกไปใครเรล่าเป็นคนพิจารณากคนนั้นแหละจะรู้ว่ามันตกออกไปไม่ใช่คนอื่นมาบอกให้ เจ้าเป็นอันนั้นเจ้าเป็นอันนี้ดีวิเศษแล้วนะนั่นมันลมปากของคนอื่นถ้าหากันดีด้วยลมปากของคนอื่นเ้าว่ากว่าไม่มีใครที่จะเป็นผู้ทุชน์คนนะผูดถึงโลกกว่าไม่มีใครที่จะอดอยากอยากจนเขาบอกว่าท้าเป็นเศรษฐีแลวนะมั่งมีเลนะบ่อเงินบ่อทองอยู่นั่นอยู่นี่เป็นของเจ้าภูเขาลูกนั้นเป็นทองเลวนะภูเขาก็กลายเป็นทองขึ้น มันเป็นไปได้อย่างนั้นมันก็ไม่มีการลงมือปฏิบัติกันไม่มีการทำงานกันถ้ามนดีด้วยลมปากแต่ก็เป็นพิษเป็นภัยมีอิทธิพลมากเหมือนกันเรื่องลมปากเพราะใจไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเลยตะคุบว่าเขาเกาตูดูหมินบ่าเขาเซินและเซินอย่างนั้นอย่างนี้เพิดเพลินหลุ่มหลงไปตามลมปากของคนจนถึงกับเป็นบา้เนบาเป็นบอไปก็มีนี่คือ ตัวข้องตัวไม่ดูตัวข้องตัวมองไปแต่้างหน้าไม่ได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรทางภายในข้องตัวเขาว่าดีว่าชั่วก็ต้องดูเรื่องข้องตัวถ้าว่าชั่วควรจะปรับปรุงแก้ไขเขาว่าถูกแล้วก็ดีสาธุเขาบอกคุ้มซับให้เพื่อเราจะได้ละได้ถอนได้แจ้ได้ไขความชั่วเสียต่างๆในกายในใจของเราเขาว่าดีแต่เรายังไม่ดี ก็ไม่ควรเพลิดเพลินหลุ่มหลงนั่นเขาเห็นมองเราในแง่ดีตัางหาตัวของเรายังชั่ว ย, ยังเสียอยู่ละอายใจควรจะปฏิบัติแก้ไขให้ตัวของตัวดีอย่างเขาว่าก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายได้ยินการตจำนี่ก็ดูตัวของตัวได้ยินการชมเชยสรรเสริญก็ดูตัวของตัวให้เป็นธรรมอยู่สม่ำเสมอคนนั้น ไม่หวั่นไหวจิตใจตั้งมัน่นไม่มีการเสียหายนี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะเพราะไม่ได้ทิทจนารณาตัวเองเขาว่าชั่ ว, วเสียใจเขาว่าดีกว่าดีใจท่านทั้งที่ตัวไม่ดีอย่างเขาว่าท้านที่ตัวไม่ชั่วอย่างเขาว่านี่คือจิตไม่มีหลากฐานมั่นคงในทางธรรมะถัาจิงฝึกให้ฝึกอบรมให้จิตรู้เห็นเหตุผลต่าง ให้จิตตั้งมั่นเข้าใจตามเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเรื่องของตัวอยู่ทุกระยะเวลามันก็ไม่ตะคุกเงาคือไหมติดตามลมปากของเขาเราคอยเฉยอยู่เขาว่าดีเราไม่ดีน่ะที่ของเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปเขาหว่าชั่วว่าเสียแต่เราไม่มีชั่วมีเสียอะไรนั่นเป็นลมปากของเขาเรากาะเฉยสะดวกสบาย ธรรมะเป็นเรื่องกำจัดความรุ่มหลงข้องใจอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจึงมีความสุขความสบายอยู่ทุกระยะเวลาดังนั้นพวกเราท่านเมื่อได้สะดับรับฟังธรรมะก็จงนำไปพิพจรารณาฝึกกายบายา จ, จใจคล้องสนต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะผมเห็นว่ารรพอสมควรเสียเวลาเอวัง